ฟางทมต่อเช้ชีวิตแบบวิถีพุทธตื่นขึ้นมาก็สาที่ยายพระสูตรบทสวดวางบทยาวต้องหายใจออกยา ว, ยาว ปวดปวดวางปวดส้นศกับจังหวะหายใจเข้าออกวดปวดวางปวดช่จังหวัดยาวศกจังหวะกับหายใจเข้าสูบเข้าลึกๆเป็นการบริหารปวดเราสาธยายทำทั้งหายใจทั้งมีเสียง เราไม่จุดทบจุดเทียนให้มีคาร์บอนในที่นี้อากาศบริสุทธิ์มีต้นไม้ไม่มากก็บรรยากาศวิถีพทดเรามาสร้างจังหวะการเคลื่อนไหว ได้พลังงานได้สติโดยเฉพาะการสร้างจังหวะตามรูปแบบของสติประฐานเป็นการบริหารร่างกายได้พลังงานด้หว่างหัวใจหน้าอกต้นคอใบหน้าด้วย เราเดินจงกรบได้ทุกส่วนของร่างกายบริหารทั้งกายทั้งใจในสิสติเอาไปกลิ่งอยู่เสมอในชีวิตไม่ได้บักหมุมบั่งก้อนห็น <c oughs> ที่อยู่ทาง น, น้ำไหลไม่ขึ้นสนิม ก้อนเห็นก้อนใดที่อยู่ในน้ำที่นิ่งมักจะเป็นสนิมไม่เปี้ยงเก่ายีอของเราต้องเครื่องเก่าไม่ไม่ใช่หมักผมอยู่แต่ในล้มไม่ออกมีแสงแดดไม่มีรองฝนเขาอ่อนเด้อไอ้ถูกแดดบ้างถูกฝนบ้าง ดังเดินจงกรมถ้าเหยียบดินได้ก็ดีต่าไปเทปูนไม่ค่อยดีฝ่าเท้าของเราไม่สวมรองเท้าเดินอยู่บนแผ่นปู น, น, น, น, น, นมันก็ไม่ดีไม่เหมือนแผ่นดินเราเหยียบดินเนี่ยมันไม่ใช่เสียหาย <c oughs> เป็นประโยชน์ ให้เราไ่ว้น้ำลองโดขณะที่เราไ่ว้น้ำไม่มีแผ่นดินเหยียบเราถึงฝั่งเราเหยียบดินน่มันรู้สึกว่ามันมันมั่นมันมีความสุขมันมีสุขภาพหนื่อยก็หายเหนื่อยได้หรือหลอโจมน้ำลงไปตึกๆไปเหยียบดินว่าเหยียบดินหรอมีกาลังแ ยัน <Yeah. S 1> ดินขึ้นมาพ้นน้ำได้ซัด ต, ตัวไปหาฝั่งได้เคยเป็นเด็กสมัยตกน้ำจนลงไปขาไปเถึดดินยันขึ้นมาลอยตัวไปหาฝั่งก็้อะไรไม้ขึ้นได้เลยนี่แผ่นดินก็ดีธรรมชาติ เอาหัดต้นไม้ในร่มพยายามเคลื่อนออกไปเดือนเรืองลำใบลำใบระหว่างมีแสงแดดตกแดดบ้างก็เลื่อนออกไปแดดเพิ่มขึ้นเลื่อนออกไปจนอยู่กลางแดดได้อ้อมไม้ในแดดแล้วจะเอาอมาอยู่ในร่มหัดเข้ามาจัดเข้ามาตั้งไหวตั้งไห้ใกล้ล่มเข้าไปผลที่สุดก็ต้นไม้ก็อยู่ในร่มได้ โลูกชาวนากำเดดกองฝนอยู่กลางทุ่งไม่มีการเจ็บไข้หรืป่วยฝนตกก็เปียกแดดออกก็ร้อนแข็งแรงนั้นเราก็วิถีพุทธเนี่ยมันมันลุยๆชั่หน่อยเวลามันหลงลูกขึ้นมาทำให้แข็งแรงถ้าหลงเป็นหลง มัว ก, ก็หมกหมมวนเดสุกปรสุกทุกบันทุกเราต้ อ, องอนตอนตนสอนตอนดูแลตนพิพากษาตนโจทย์ตนแบบ น, นี้เราไม่เพือต่างจากฤทธิ์หัสแล้วลการจียาใดๆของสมนัเราต้องทำมาการจียานั้นตเราต้องทำตัวให้เขาเรื่องง่าย นี่ว่าเตือนตนเพ่งตนบัณฑิตต้องเพ่งตนมองตนวิชัยบัณฑิตมองตนที่โทษตนวิชัยคนผ่านมองคนอื่นที่โทษคนอื่นเราจึงมามีสติมองทั้งกายมองทั้งใจจะได้เห็นตัวเองถ้ามองตนรักษาตนเตือนตนได้ จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นวันสมทานศีลสำหรับโอขรวาสครองเรือนเจ็ดวันดาบนำครั้งหนึ่งชุชดสมทาน <c oughs> สินสิขามันต่างกันสินสมาทานต้องเจตนาต้องรักษาสินสิกขาสินรักษาเราสมาธิรักษาปัญญารักษามันเกิดจากการเจริญสติมันจึงมีสินไมนลองต่อพูดดวัตกนว่า จะให้มีฉินถ้าอยากมีฉินหรืออยากมีวุล<น>ต้องล้างบาปออกเอาบาปออกถ้าอยากมีความดีเอาความชั่วออ ก, ออกมันเราอานบน้ำ <c oughs> อยากได้ล้างกาชาติ<น>ต้องอานบน้ำ น้ำเป็นเหตุทํำไม่สะอาดอยากได้เสื้อผ้าสะอาดต้องซักน้ําน้ําเป็นเหตุทำํำมาเสื้อผ้าสาดยืดของเราไม่ฉีงทำไม่สะาดกองชั่วออกไปควาสะอาดก็เกิดขึ้นบาปออกไปบุญก็เกิดขึ้น เหตุของบาปก็คือตัวหลงตัวเหตุของบุญก็คือไม่หลงก็ไม่หลงบุญก็เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าหลงบาปก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเหตุม่อยู่ที่นี่ พี่เจ้าก็สอนว่าอย่างนี้ไม่ใช่เราพูดเองเรามาเดินตามดูก็จริงร้อยเปรเซ็นสัมผัสกับความรู้สัมผัสกับความหลงกุศลเหากุศลเราจึงมาจับต้นเหตุมันโดยพิชากรรมฐานเนี่ย นี่แหละวิถีพูดที่จะก้าไปตั้งรรทำบุญต้องละบาปทั้งทำชั่วต้องละความดีไปใตัวเสร็จเราไม่สติก็ลบความชั่วเราไม่สติมันก็ทำความดีเราไม่สติจิตก็บริสุทธิ์ก็เป็น แล้วขวมชั่วคือศีลแล้วตามความดีคือสมาธิแล้วละมันเผิดเปลี่ยนไปถูกเป็นปัญญาแล้วเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาศีลกับจัดรวมชั่วอย่างหยา บ, บในกายในวาจาก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวใช้กายก็รู้สึกตัว ก่อนที่จะเคลื่อนไหวคิตใจก็รู้สึกตัวสมาธิละบาปอันที่เป็นส่วนกลางๆในความคิดเก็นปัญญาลกอกทั้งหมดเลยดูแลทั้งกายทั้งใจเป็นนายจตีเป็นไม้พาย ร่างกายเป็นเรือะติเป็นหางเสือปัญญาเป็นไม่พายถึงฝั่งได้ถ้าเรือขาดหังเสือไปไม่ถูกทิศทางจะพูดจะทําจะคิดรู้สึกก่อนก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดหัดใช้สติตัวเรือมีหางเสือ ไพระเอาจังมาแึกแบบนี้กันสีสติศีนคำจัดความชั่วอย่างหยาบจาบสมาธิคำจัดความชั่วอย่างกลางเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดอยากไม่ทำอะไรสติ เห็นมันอยู่ตัวนี้ดูอยู่เฉยๆส่วนสมาธิหนักแน่นเข้าไปอีกปัญญาเห็นไม่กระทั่งความคิดตามพุท ธ, ธรรมเบื้องตอน้นนี่ก็เสแห่ง้งมากกผลนผานิพพานเห็นรูปเห็นรูปรูปเห็นพบเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นอาการของรูปของน้ําตามความเป็นจริงได้หลักได้ฐาน ส่วนสมาธิปัญญาเนี่ยเห็นความคิดอันเห็นโลกเห็นน้ำ<ม>เห็นธรรมชาติได้หลักฐานเห็นแผนที่เนี่ยมันพร้อมที่จะป่ายอย่างไม่ผิดพลาดอะไรหลงอะไรไม่หลงมั่นใจอะไรทุกข์อะไรไม่ทุกข์มั่นใจแต่พอเล่นกับมันเรื่อยๆทำนานเรื่อยๆ กลยว่าไปบรรลุถามตอนที่เห็นบันคิดโดยที่ไม่ตั้งใจคิดทีไดลูขึ้นมาทีแรกก็ลูเฉยๆเอามันคิดทีใดก็ลูอว่าที่ลูทุกครั้งที่มันหลงคิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสีอหายเป็นเรื่องที่เตรียมพร้อมชำนาญเหมือนงานผ่านมืออยู่บ่อยๆงัดอะไรก็เลยเป็นงาน อพิมพ์ดีดก็เก่งในพิมพ์ดีดหัดลูกคิดก็เก่งนลูกคิดหัดทำอะไรก็ชำนาญเรื่องนั้นเหมือนไหนช่างที่แรกก็มีดสิวขวนกบด้วยดินสอไม่ฉากที่แรกก็ไม่ค่อยมีฝีมือ ถ้าทำบ่อยๆก็มีผีมือขึ้นมาเป็นผีมือปลาณีด่ดถ้ามีย่อช้ำมาใหม่ก็หยาบพอชำนาน น, นก็ปราณีตดการมีสติไปเห็นความคิดเนี่ยมันหยาบถ้าเห็นก็ไปนานๆก็ปราณีตดขึ้นจะเอนะว่าจะเอกัน ตื่นแต่ก่อนไม่ตื่นแล้วธรรมดาธรรมดาตอนนีก็งู่ไปในความคิดน้านไปในความคิดไม่อายเลยเพอมาเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันจะเอกันโอโถตื่นยากจะล้องออกมาเลยโอ้ยต่อไปนี้อันทุกข์อันโศกทีก่เกิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้ว หรือว่าปัญญายาณยิ่งใหญ่ทะลุทะลวงเลยจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปทิฐถิก็เปลี่ยนแปลงไปกระโดดออกไปลอยได้มันก็เป็นอย่างนี้มันมีทางไปแบบนี้ํำนานไปแบบนี้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่จะขาไก่ขอไขยอย่เสมอตัวอะไรมันพร้อม อะไรที่อยู่ในกายในใจเนี่ยผ่านตาหมดอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วรู้แล้วหมดรู้จนจบไม่มีอะไรที่ปิดบังงามพางอาชีวะหลงอาชีวะทุกเนี่ยส่วนอาการต่างๆยังมีต้องกินข้าวต้องขับต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนเป็นธรรมชาติ มันร้องก็ธรรมชาติมันหนาวธรรมชาติมันหิวธรรมชาติมันปวดมันเมื่อยธรรมชาติไม่ใช่เราก็จะขอบคุณมันก็ขอบคุณมันได้โยงกัดมันเจ็บขอบคุณมันเจ็บถ้ามัเจ็บมันอันตรายมันหิวข้าวขอบคุณที่มันหิวนี่ประโยชน์มันปวดมันเมื่อยอะไรต่างๆ มันเป็นธรรมชาติเพื่อเขาอยู่โลดสัญญาณภัยของเขาเราก็ไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรจบทันทีอรที่มเกิดขึ้นแั้นก็จบไปจบไปแล้วก็มีปัญญาเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องแต่เป็นความทุกข์ก็กำหนดรู้เป็นทุกข์ฝังอย่างมัรเทาถ้าทุกข์ฝังอย่างต้องละตามขั้นตอน ไม่ใช่ทุกต้องมดเกี่ยวกับทุกอย่างแม่นยมถูกต้องเหน่เข้าต้องจินท่าว่าบันเทาถ้าหายใจกันเคลื่อนไหวกันทุกขวเวทนานี่ก็กำหมดลูยเฉยๆต้องหายใจต้องเกิดน้ำลายต้องคิปตา อันทุกสโสกไปเทวดันตรงละ้อมโกดบรนเทาไม่ได้อันหนึ่งบันเทาอันหนึ่งละ <c oughs> อย่างมีระเบียบต <c oughs> ้องมันบอกบอกผิดบอกถูกแล้วก็เป็นไปได้ถ้ามีสูตรสูตรขน ม, มก็มีสูตรสูตร สูตรต้องหารก็มีสูตรถ้ <c oughs> ราไม่ถูกสูตรมันก็ไม่ดีใช่ม ไ, ไม่ได้ชีวิตรเราก<ม>็มีสูตรสูตรที่ทำให้มันจบใน<ม>ชีวิตนี้สติปัฏฐานสูตรดังที่เราสาธทยาย ในพระสูตรเนี่ยจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิคืออะไรพอถึงสมมาสมาธิถึงไหนสมมาทิติไปถึงไหนอาจจะก้าไปไม่ามากสัมมากรมสัมมาดำสัมมา อ๋อแล้วสมาอ๋อสมาควรอดีตนอะ่ะมันจะสร้างมาวันมันก็ไปไม่ไก่สมารกรรมวันตาไปไม่ไก่สมาวาจาไปไม่ไก่เท่าไหร่ส่งไปขึ้นกลางๆโอ้ถึงสมาสติออกไปแล้ววะนะัน ในสถิติป็นกายเห็นกายอยู่เป็นประจำไปแล้วว่นไหนถอนแล้ววันไหนถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ไปแล้วว่นไหนด่านไม่สีด่านออกจากด่านได้เลยกลายเป็นด่านหนึ่งสุขทุกข์เป็นด่านหนึ่งความคิดเป็นด่านหนึ่งธรรมที่เป็นส่วนรวมทั้งกายทั้งใจเป็นอีกด่านหนึ่งผ่านได้แล้วว่นไหนออกไปแล้ว พอสมาสติเนี่ยออกไปแล้วออกจากโลกก็ว่าได้นะถ้ถึงสมาสมาธิน่ะทิ้งควันไปจากทิ้งควันไหมฮะเคยไปดูบ้างไฟไหมบ้างไฟที่เขาแข่งขันกันนะควรมัน หมดแต่ว่ามันพุ่งขึ้นไ ป, ไปบางไป พ, พุ่งขึ้นไปไ ป, ไปขวางอยู่วันจะลงก็มาลงมันขวางแล้ววันเมื่อมันขวางมันไม่มไม่ลงง่ายตั้งนาฬิกาไว้ของขครจะได้กี่นาทีแต่มันที่งขวางสูงจนขวางตัวรออยู่แล้วก็บาวที่สูงมันจะเบาไมนมีน้ำหนัก เขาอยู่ได้นานไม่รู้จะโงตรงไหนบา ง, งคนก็หวั่นไหวพวกอยู่ข้างล่างมันจะลงมาตรงไหนต้องวิ่งเข้า ท, ที่ที่ที่ปลอดภั ย, ยดูใครก็ถูกตรงหัวของใครของมันแล้ <c oughs> <c oughs> มันไปยาวๆก็มันก็ไม่ก็จะระวังยาก น้าไฟบั้งไปทิ้งควันสูงนั่นเลยว่าออกไปแล้วไม่อาศัยควันเราควรนมันส่งมาให้ถ้าเป็นทุกข์ก็ส่งไปไม่ทุกข์ถ้าเป็นหลงก็ส่งไปถึงความไม่หลงถ้าเป็นความโกรธส่งไปถึงความไม่โกรธนั้นเราไปยืยนอยู่หลังเขาเมื่อวานเถอะหลวงพอใหญ่หลวงพก็คหลวงอาจารย์ตุม้ม ไม่คิดน้อยเขไปโอ้สองชั้นยอดเขาเบาเลยตัวเราแม่นบาหลวงพ่อเบาบ่จนจะเดินไม่เป็นต้องถือไม่เท่ามันเบามันสูงมันเบาต้องถือไม่เท่าเดินได้แต่ก้าวไม่เป็นหรมันสูงงดฝวังประเทศไทย ี่แต่พูกเขาหัวรุนต้นไม้หมดแล้วเกลื่อนไดตอนี้เรียกว่าโรควิสองโอกาสโลกโลกคเคยแผ่นดินทุองฟ้าเชื่อมลดไม่เพียงสังขารโลกโลคเคย การโปรงแต่งในชีวิตเราเสือ่อมได้เราให้ควมามแก่เป็นธรรมดาจาะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจาะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจาะลงพ้นความตายไปไม่ได้ น, นี่สังขารโลกไม่ใช่ชีวิตเราเป็นสังขารโลกเราต้องมาอยู่ตรงนี้ทิ้งกวนไปแล้ว ตายก่อนตายเจ็บก่อนเจ็บโผล่มาชำนาญเรื่องนี้เราไม่กล้าไปติดเพื่ออาศเราทําลายลองให้เพราะความทุกข์เฉยใจเพราะความทุกข์เถอให้ทุกข์เป็นทุกข์เถอะให้สุขเป็นสุขให้หลงเป็นหลงให้รักเป็นรักให้เกลียดชังเป็นเกลียดชังเช่นนั่นเหถอตายแน่นอน ตายไม่ใช่ตายเข้าลงตายอยู่ตลอดเ่ว่าเกิดดับเกิดดับถ้าเราออกไปได้มันก็หยุดแล้วปริญยามาลองตาไประโยชน์สวนโมกสมัย514เป็นยาที่นั่นตายก่อนตายเป็นยาสวนมโมกว่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าอาจารย์ผู้ทธานพูก่อนแล้ว ไม่ไม่ได้พูดเลยขาใช่กับพูดของท่านมาพูดอย่างนี้ตายก่อนตายนิพพานไปตายก่อนตายแต่ดี่เขาตั้งสวนโมกในกรุงเทพชีมลองนิพพานนิพพานคีมลองตั้งแต่หลงเป็นไม่หลงคีมรองไปแล้วทุกเป็นไม่ทุกกดเป็นไม่โกดีมลองเย็นแล้ว มันหมดไปแล้วเฮ้ยติบุหรี่บุหรีหมดไปแล้วติดเล่าเล่าหมดไปแล้วมันตายก่อนตายนิพพานเข้มรองมันเย็นไปแล้วมันไม่มีเชื่ออีกแล้วแต่ก่อนมันไม่เชื่อว่ายังมียังไม่เชื่ออยู่วันนี้มันตายไปแล้วนิพพานไปแล้วสัตว์มันดูไล่มันนิพพานไปแล้วสามีดูไล่หมดทว่มดูไล่ไปแล้ว ปัญญาดุล้าอยหมดความดุล้อยไปแล้วอาศใยกันได้พึ่ง่ า, าศสยกันได้ประเทศไทยมีแต่นิพพานทุกคนก็เย็นไปแผ่นดินลาบเหมือนหน้ากองใสราสนาพระเสีเยเมตไตรก็จะมาตัดจรูดทันได้เห็นอยู่เพราะอะไรเพราะเอาธรรมที่พระเจ้าสอนต่อจากสนานักโคตมในปอยมาปฏิบัติไปถึงแน่นอนจะเลี้ยเมตต คนจะเป็นคนคนเดียวกันเป็นดินราบเหมเป็นคนคนเดียวกันริ่มตั้งแต่เรามีสติเนี่ยเรามีสติเวลานี้เราอยู่นี่เป็นร้อยกว่าคนร้อยกว่าชีวิตเออมีสติจะเป็นอันเดียวกันเลยเป็นคนคนเดียวใครก็รัวความชัว่วใครก็ทำความดีตั้งแต่มันหลงเหวี่ยมันหลงไม่จะทำอะไรได้ ก็มันหลงก็เห็นมอมาคิดก็เห็นแล้วไม่จะพูดผิดทำผิดได้งไงต้นเหตุอยู่ที่แล้วก็เห็นอยู่เนี่ทุกคนมีเหมือนกันต่างคนต่างดูแลตัวเองอย่างไรไม่จะยากอะไรไม่ต้องมีคุกไม่มีตารางไม่ต้องมีทบวจทหารมีแต่แผ่นดินล่าบไปเลยทํามาหาจิงกันไปเลยมีแต่พี่แต่น้องปองดองกันไป พระหนากายใจถึงมรรคผลผนิพพานในใจอยู่ที่ไหนเรามีรูปมีนามมาเอามาเป็นพ่วงแผลขี่ข้ามภาคมีสิติมันหลงข้ามไปจ้ะอย่าให้หลงเป็นหลงซะ้ะข้ามไปแล้วเจ้าเราจุกโตโขอเป็นสะพานให้คนข้ามถ้าข้ามไปก็เรียกว่าสะพานแล้ว เหมือนวัดเราแต่ก่อนมันสองเขตเขตขามาวสีเขตบ้านอญญยวสีเขตป่าต้องเดินข้ามสะพานเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยมาจัดสรรทางหน้าใหม่ทงคอนโคจากตรงทานมาเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นห้วยขวงไว้มาไม่ได้ อนใจเลยมาทําคันคูแล้วก็ขวงน้าไม่ให้หยันเข้ามาทางในสร ะ, สะเพราะน้ําในป่าในไร่ชาวบ้าน<ะ>มีสารพิษ<ะ>ให้หมันไหลออกไปเลยแต่งทางน้าใหม่ในเราแต่งได้<ะ>ความไม่ดีไม่ต้องให้มันเข้าไปในสร ะ, สะเพราะเราจะต้องใช้น้ํา<ะ>ให้ไหลออกไปข้างนอก วัตถุอันชีวิตเราก็แต่งได้นะวาชนะคือแต่งได้นะเขียนได้บุญแต่งได้วาชนะแข่งขันกันได้อย่าพูดเลยว่าบนวาชนะแข่งขันกันได้ไม่ใช่แน่นอนแข่งขันกันได้บนวาชนาเนี่ยเขียนเอาสิอยากเป็นก็ดีก็แต่งเอามันก็ไม่มีมากนะ มันแตกได้มันหลงเปลี่ยนไม่หลงมีว่าชนาแล้วมันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์มันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธว่าชนาแล้ววาดใหม่แล้วอันเก่าออกลบออกวาดใหม่วาดใหม่เราเนี้บบนว่าชนาอยากให้งามก็เขียนเราขอให้งามก็เขียนเรามีสัจธรรมมีวิไหนมีทํำไมได้ เป็นเครื่องมือวิก็วิเศษไม่เยอะนำอไปสู่ความวิเศษได้นำไปได้ถ้าศาสนาไมีทำอะไรเขามีมรรคผลที่ผ่านได้จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในกำมือเราเทอๆนั่นใจเธออย่า อย่าอ้อนวอนมีการทำลงไปได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ปชนเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนะงมันไม่ใช่แค่นี้มันไปไกลนะพอหลงไม่หลงไปไกลมากหยุดทำไม่หยุดไม่หยอนถึงมากผลนี้ผ่านเลยถ้าหลงไปหลงไปทางหน่ เดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์อยู่ในทางสี่แพ้่งเหมือนเรามายืยนอยู่บนทางสี่แพ่งทางหนึ่งไปสู่อบายภพทางหนึ่งไปสู่สวรรค์ทางหนึ่งไปสู่พรทโลกทางหนึ่งไปสู่รมรรคผลได้ผ่านจิตธิจะไปทางไหนเราเยืยนอยู่สี่แพง่ง เวลานียสิทธิจะไปทางไหนเราก็เลือกได้ถ้าเป็นสัตว์อื่นไม่มีสิทธิมนุษย์เท่านั้นที่มีสิทกิจโศมนุษย์สัพติลาภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบประเสริฐเพราะมีสิทธิจะใช้อะไรก็ได้ทันเดือดไม่ประเสริฐแม้แต่เทวดาต้องกลับมาเป็นมนุษย์จึงไปสู่นิพพานได้ ม น, นุษย์ท่านมาจากไหนอะไรพ่ามาเหมือ น, มมนลูกสาวเ้าม้อคุณเจ้าถามมาจากไหนไม่รู้จะไปไหนไม่รู้เธอไม่รู้จริงๆเลยว่าเธอมาจากไหน ลู้เธอไปไหนไม่รู้จริงๆนะลูกเล่นเล่นกับเพื่เจ้าหญิงสาวคนนึ่งเธอว่าเธอไม่รู้ไม่รู้อะไรเที่ยวรู้รู้อะไรมาจากบ้านเธอมาจากไหนมาจากบ้านเธอไปไหนจะไปส่งข้าวพ่อลูกเฉาสร้างหม้อลูกเฉาในช่างปั้นหม้อ เดาเข้าไปส่งพ่อเห็นคนเดินเข้าเครตะวันมากเห็นคนเดินไปแต่งตัวข า, ขาวๆเหมือนพวกเรา น, นะเรียบร้อยมาก็าเลยเดินไปตามเขาว่าจะไปส่งเข้าพ่อก็เลยไม่แยกทางไปกับผู้คนออกไปฟังเทศผู้เจ้ า, า, า, า, า, า, าจอยู่ผู้เจ้าอเทศอยู่แสดงธรรมอยู่ ลูกสาชาวมอ่อเพราะว่าพระองฉันคิดถึงพ่ออันนี้พ่อคงหิวข้าวเดีจะไปก็เสียดายพระเจ้าเทศแสดงจธรรม ถ, ถึงจิตถึงใจจริงพระเจ้าเทศจบลงพระเจ้าเห็นก็ถามเธอเทว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรมาเทว่าเธอรู้รวยมาจากบ้านจะไปมาจากบ้านจะไปส่งข้าวพ่อลูก เทว่าเธอไม่รู้เธอไม่รู้อะไรเธอมาจากไหนไม่รู้ธจะไปไหนไม่รู้พระเจ้าแสดงธ ร, มรามหอพระเจ้าเลยบอกทางถ้าจะมาเนี่เรียกว่าบุญผามาพวกเราที่มาเกิดอยู่เนี่ยมันพร้อมเลยว่าทางสีแ่แง่บุญพาเรามามีสิทธิจะเลือกได้ถ้าบาปมาตรงนีไม่ได้นะกิดโสมรสจติลาพนบุญผามาเป็นมนุษย์ มีกายกล้องสอกจะวานะคือมีสัญญาจิตใจมีตู้เหตุเรืเกิดทุกข์ความดับทุกข์อยู่ที่นี่เราจึงไม่ปิดบังมาเปิดตำราอ่านมีสติเป็นนักษามีกายใจไปตํตำราอ่านลงไปให้เห็นให้วรรลกขึ้นมาจะเลือกได้นะ ไใไว้พรมคืออะไรสัมผัสโดนมันหลงเป็นหลงความทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธแน่นอนถ้าหลงเป็นไม่หลงทุกข์เป็นไม่ทุกข์โกรธเป็นโกรธแน่นอนคนละทางกันแล้วจะเลือกเอาไหมจะเลือกหรือไม่เลือกมีสติได้ตรงแน่ถ้าเลือกไบใบก็ได้นะให้มันให้มันปลานี่จังหน่อยตาคม สัมผัสดดูัหนือนเราตาคมตาไม่ดีก็ไม่ทันนะไนะปซื้อส้มเฉียวหวานงอต่อยืนจกกระเปงแม่ข้าเขาก็ เ, เ, เอาส้มลูกดีๆกองไว้ข้างหน้าเอาลูกไม่ดีไว้ข้างหลังเอาเขียนไว้คึนโล 10บาทอันคึกทำตัวเล็กๆนะหนังสืออันโลระสิบบาทตัวใหญ่หรือหมอืนไปอันขึ้นนะเรีกว่าโลระสิบบาทแล้วเขาขวดอันข้างหลังให้ก็หน้ากขาไม่เก็บมาโลกสวยๆนะเอาข้างหลังก็ช้ำหมดแล้วเอาใส่เขาก็ช้ำอ่ะกิโลหนึ่งอะไรให้หน้อยทจ ไ่ใช่กิโลหนังขึ้นกิโลโอ้ยเสียเปรียบเราต้อว่ากิโลหลังที่แรกมันขึ้นกิโลแทนที่เขาตกตาไม่คมต้องเลือกตัวชิเอาไปซื้อท่งเขากรองไว้ล่ะเอาถุงมาไปเลือกเอาใส่ท่งปานั่นก็ยังแย่งมาเอาลูกก็นไม่ดีว่าให้นี่แม่ค่ะต้องฉลาดตาค ม, คม มันจะยื้ขวงทุกไว้มันจะยื้ขวมทุกไว้เอาไหมถ้้มีตาดูแล้วเห็นเลือกได้เลือกได้เลือกไ ด, กได้จะเลือกไปทางไหนจะเลือกไปสวรรค์จะเลือกไปมโลคใจดีเป็นบุญไปสวรรค์ใจล้ายเป็นบาปาเป็นรกมีไหมในหัวใจเราแนสจำผัสดูเป็นไงใจเย็นไปนิพพานได้เลย มันอยูที่ใจมโนปุพังขมาธรร ม, มามนโนเสตามาโรยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญมีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จอยู่ที่ใจปล่อยทิ้งไหมเราปล่อยใจแจ้งไหมอะไรเป็นใหญ่ตาหูจมูกเร่งกายใจก็หลับใช่ดังนั้นตาพูดหวานก่าถ้าเห็นลูกอะไรโชก่อนความพอใจความไม่พอใจมาโชนี่เราว่าเขาโชนะ เหมนแม่ค้าขายโซ่เขียวหวานครึ่งโลสิบบาทเอามาโชว์ไว้ฮะเราก็หลงตกหลอกหลอกให้ลหลงก็นเลยด้านไปเลยอะไรก็ ง, ง่ายที่จะหลงง่ายที่จะลักง่ายที่พอใจไม่พอใจอันระหว่างตรงตรงกลางไม่เข้าอยู่พอใจมันไปฝั่งขวไม่พอใจไปฝั่งชาย ไปไม่ถึงไหนติดฝังชีวิตติดฝังถ้าไปกลางๆเห็นเนี่ยนะถอนออกมาอความพอใจความไม่พอใจมัเป็นรสของโลกรถของโลกมันมีรสชาติสัตว์โลกย่อมติดติดความพอใจติดความไม่พอใจงานีีสติดูที่จะช่วยได้เยอะแหละถอนออกมามีสติอาตาปิสําจาโนสติมา พี่นัลเชี่ิชาธวมาสังถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้มีสติสัมช雅ยวหริถอนออกมาถอนออกมาทวนกระแสจักหน่อยมันเคยพอใจมันเคยไม่ถอนออกมามีสติเก่อนอันทวนกระแสเจ้าก่อนตัดจั่วต้องทวนกระแสเสียงถาดถาดทองเอใจอย่าให้ไหลไปตามน้ำทวนไว คิดถึงวิปากมาคิดถึงราภุตกลับมาคิด ถ, ถึงประชาธรรมดูกลับมาคิดถึงทรัพย์สินเสด็จขานกลับมาคิดถึงพระเจ้าจากาักรพรรดิกับมาทวนกระแสกลับมาทวนกระแสะกลับม า, ะะลบมาแล้วก็เรียกก็เป็นอย่างนี้นมาเชื่อยากเกินไปไม่เชิง่ายเกินไปก็มีพอสมควรอุ้มีความเพี่ยนมั่นคง ผู้มีความเพียรต่ำตำควรเจีผู้ปฏิบัติก็าทำมันพระดไม่มีพักเจ้าตัดไปดแล้วผู้ศึกษาจะต้องทำด้วยตนเองปฏิบัติได้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรน้อมมาเส่ตัวเป็นสิ่งที่ควรเก่าผู้คนชวนมาดู อยากจะชวนมามาลองดูมาสัมผัสความรู้ลองดูอย่าไปอยู่ในความหลงความโศกพอใจไม่พอใจกลับมารู้ซาชวนมาชวนมามาดูนี่สูตั้งหลายมาดูโลกนี่ปฏิบัติได้ผลได้ไปจํากัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้ควเด็ดตามทุกครเจ็บผู้ปฏิบัติตามทากควรเจ็บผู้ที่ปฏิบัติ ถ, ตถ้าหลง มาขวัวลูกมันก็ไม่สมควรถ้าลูกมาขวัวหลงก็สมควรตามสมควรแจกผู้ปฏิบัติวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงชั่วโมงหนะนึนะ่งหกหกสิบนาทีนะกี่กี่นาทีหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงหกชินาทีเป็นหนึ่งนาทีนาะทีหนึ่งหลงเท่าไหร่ลูกลูกเนะ ชั่วโมงหนึ่งของวันเท่าไเดินไปชั่วโมงหนึ่งได้กี่ก้าวรู้หัใส่แของโดรนตาก็หัดนับเงี้ยวที่ผ่านมาแข่งแขนได้สามพันครั้งนะแข่งแขนทําวเทอไปแข่งแขนได้สามพันครั้งเราเดินชกชกชก ตั้งหลายพันเก้าเป็นชั่วโมงครึง่งดูแลตัวเองส่วนเนี่ ย, ยอเอาเวลาเนี่ยไปดูแลตวัวเองจนถึงเวลาฉันเชา่านะมัะนได้เป็นงนโว ส, สดนินยาจิโยมชาวบ้านมา ส, สมทานสินอ้าวสมทานศินประกาศสินอ่าทะยก